254. ผู้ไม่รู้กายย่อมองมงายในธรรมะที่ตนเป็นการศึกษากายศึกษาจิตหรือผู้จะแยกกายแยกจิตเป็นซึ่งต้องศึกษ า, กาจากองค์ประชุมของรูปกับนามจึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นจิตเป็นกายและหมดงงสิ้นสงสัย ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ากายนี้ตถาคตเรียกว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างพรตรไตรปิฎกเล่ม16ข้อ230หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตายไปคนผ่านย่อมเข้าถึงกายพระรไตรปิฎกเล่ม16ข้อ5้ถึงห้าส้มแต่คำว่ากายวิญญาณ ก็ไม่ได้หมายความแค่ร่างที่มีรูปและคำว่ากายในที่อื่นๆ อ, อีกมากมายลึกซึง้งจึงไม่ใช่เรื่องตื้นตื้นง่ายๆที่จะพูดได้พลอยๆคําคำว่าจิตหรือวิญญาณ น, นี้เป็นธาตุรู้ที่อยู่ในตัวคนเป็นๆอันต่างจากวิญญาณที่ล่องลอยท่องเที่ยวสันทาวติ และเล่นไปสังสรารติไหนต่อไหนอยู่นอกตัวเราพระไตรปิฎกเล่นสิบสองข้อสี่รอสี่สิบที่พระพุทธเจ้าทรงบริพาทภิกสุสาติเพราะนั่นคือมิจฉาทิฐิหรือแม้แต่ความเป็นวิญญาณที่ผู้ปฏิบัติสมาธิแบบหลับตา เข้าไปในพวังแล้วสามารถเห็นภาวะนั้นในพวังเพราะนั่นไม่ใช่วิญญาณที่มีตาสัมผัสรูปแล้วเกิดเห็นภาวะนั้นธรรมะสามประการเป็นผัสสะหรือหูสัมผัสสียงแล้วเกิดได้ยินภาวะนั้นเป็นธรรมะสามประการเป็นต้นจึงไม่ใช่วิญญาณซึ่งหมายถึง องประชุมของธรรมะสามประการเป็นภสษะดังที่อ้างแล้วความเป็นจิตเป็นวิญญาณ น, นั้นๆซึ่งก็คือจิตคือวิญญาณอันเป็นภาวะที่พิสูจน์ได้ในตัวคนทุกคนเพราะทุกคนมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ มีรูปเสียงกลิน่นรสสัมผัสภายนอกสัมผัสภายในและต้องมีสัมผัสสามดังกล่าวสาทยายมาเป็นสำคัญเราก็ได้พิสูจน์วิญญาณอย่างนี้พิสูจน์จิตน้นๆที่มีอาการอันได้นิยามกันไว้ว่าเมตตาการุณามุทิตาอุเบคา ซึ่งเป็นคุณสมบัติของพระเจ้าหรือพระพรหมจะต้องเป็นวิญญาณดีจิตดีตามนิยามที่เป็นความดีสูงสุดดังที่ได้นิยามกันไว้ถึงคุณสมบัติแห่งความดีนั้นและคุณค่านั้นตรงกันหมดซึ่งแบบพุทธชาวพุทธก็สามารถพิสูจน์ได้เป็นสวาขาตธรรม แต่ผู้ที่ไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความเป็นกายย่อมงมงายในธรรมะที่ตนเป็นเพราะไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงธรรมกายหรือพรห ม, มกายตนงมงายอย่างไรก็นั่นแหละคือธรรมะที่ผู้นั้นมีซึ่งผู้ที่สัมมาทิฏฐิย่อมรู้ชัดว่าธรรมะของผู้งมงายนั้นสกปรกลามกชั่ว